นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี รุ่นอาวุโสองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับเป็นพระภิกษุ เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ดำรงตนเป็นพุทธบุตรโดยปราศจากความสงสัยในพระพุทธศาสนานั่น ภายในกุฏิของหลวงปู่ 3 ยามค่ำคืนจะมองเห็นแสงสว่างเรื่อๆเป็นดวงๆดู ท่านกัวก SM ระวัง่า Panel ท่านก็ uma มีพตราแสงเรือ เ� scan or อท ple b lam van van van va a book ที่มีความผูกพัน Hitera Kta ph MIC ะกับส sigu 귀 si tra h. r g quis qui ปัก信 berj, Pal dtt. ค Pennsylvania Kta pre b ow Gates for new trade Me fa ท apa hai ma vien the a fab อ他 B�, wanted one who had someلك เมื่อหลายปีมาแล้วที่วัดโฟท่าเตรียญะ Skr ได้มีพิธีพุทธาภิเษกทางวัดได้ ถึงพลังจิตอันสูงส่งในสมาธิจิตของท่าน 2443 ที่หมู่บ้านนา 3 ตําบล ท่านมีนามเดิมว่าสามมีนามเดิมว่า 3 นำสกุลเกตแก้วศรีปีก็ขออนุญาตบิดามารดา 21 ปี ก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุมหานิกาย 3 ท่านก็ได้อาศัยศึกษาด้านพระธรรมวินัยแล้วก็ศีลสิกขาบทจากพระอาจารย์ที่ โดยครั้งแรกได้มุ่งตรงมาท่านพักดังนั้นท่านก็เสาะแสวง ก็ยังมีเต็มเปี่ยมอยู่ไม่ เมื่อท่านพระอาจารย์ดูนอตุโลได้ทราบแล้ว สมถกรรมฐานตามแนวทางของท่านพระอาจารย์ดูนจนมีความเข้าใจ ดังนั้นเมื่อหลวงปู่ 3 ได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์ดูลพันษาหนึ่งท่านก็คิดได้ว่า มีความดื่มด่ำใจเป็นอันมากก็รู้สึก ใน 2469 นั่นเองหลวงปู่ 3 26 ปีบวชเป็น 5 พรรษาอยู่ในมหานิกาย เข้ามารับการอบรมสั่งสอนจากรวม 14 รูปด้วยกัน พระอาจารย์พรและพระอาจารย์จำปีแล้วก็ๆตลอดจนถึงอุบายการ อันเป็นเสมือน 1 อักขรศิษย์เบื้อง พระอาจารย์มั่นน่ะพระอาจารย์ ภな อ. ส. ภ ม. จร โ. รภ ร. บ. จร โ. ร บ. จ ร. ร บ. Still ร บ. ienza pues. ภร น. ส. โ. ร ช. ร在 รס ร ม. อ. ศ. ร modèle เมื่อรัลเลวพราจรแมร Commander VERY ลพราจรร SEÑ ร jamais ร battling ร ăn ร และหลวงปู่ 3 การเดินทาง แล้วก็อำเภอพระลับในจังหวัด แต่อิทธิฤทธิ์ของผีในการบันดาล อาวุธที่หลวงปู่ 3 ตอนที่พระอาจารย์สิงห์จะไปบ่อยๆซึ่งๆก็จะต้อง และบางตามแต่หมอผีจะเรียกร้องเอาซึ่งก็ต้องหามาให้มีเงินค่าไหว้ครูบ้างยกครูบ้างตาม ให้ชาวบ้านหันมาเข้าในพระพุทธศาสนายึดถือ เชื่อถือศรัทธาในพระอาจารย์ 3 เป็นอย่างมาก 3 ยังความโกรธแค้นมาสู่หมอ คือวิชาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ หลวงปู่ 3 ก็ไปถึงบ้านนั้น 3 พร้อมกับกล่าวคําอาฆาต 3 มายุ่งกับ หลวงปู่ 3 มาเห็นอย่างนั้นก็รู้ 1000 น탄 ไทย์คมาปี boundaries มา เป็นนายของตนเองไม่ต้องมานั่งหลอกลวงใครอย่าง ผีจะมาช่วยเราได้อย่างไร ถ้าผีทำให้ได้ก็จงหยุดความอาฆาตโกรธแค้นหยุดกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่งนิ่งๆสักวันนึงหากผีบันดาลให้อิ่มได้บันดาลทุกสิ่งให้ได้แล้วก็จงเชื่อผีต่อไปและเราก็ แต่ก็ยังทนนั่งเฉยอยู่พอหายรำคาญใจ ฝ่ายหมอผีเมื่อได้รู้ว่าลูก 3 เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปนับถือพระ บางคนก็บอกว่าหมอผีถูก ซึ่งในระหว่างนี้การปฏิบัติของหลวงปู่ 2474 เดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ ได้โทรเลขถึงนายอำเภอน้ำพองให้อาราธนาพระอาจารย์มาพบท่านบอกว่าจะขอให้ไปเผยแผ่ทางจังหวัดนครราชสีมาท่านพระอาจารย์ก็เดินทางไปพักที่วัดป่าสารวันส่วนหลวงปู่ 3 นั้นก่อนจะแยกทางกับพระอาจารย์ท่านก็สั่งไว้ ให้ไปพำนักที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อช่วยพระ 3 จึงได้มาพำนักกับพระอาจารย์ดูนอีก เริ่มมาเยี่ยมเยียนสหายธรรมิกะของท่านก็คือท่านพระอาจารย์ลีธรรมธโรวัด และที่เมื่อพักได้พอสมควรแล้วได้พบกับพระอาจารย์ พระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาให้ฟังอย่างมากมายในคืนนั้นทําให้หลวงปู่ ปีนี้ผมมีอายุ 80 แล้ว ได้จะออกวันศาจึงได้รับหนังสือแจ้งมาว่าพระอาจารย์มั่นอาพาธแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปหาต่อมาจึงได้รับข่าว 2493 หลวงปู่ 3 จึงได้เดินทางไป 31 มกราคม 2493 จนเสร็จงานแล้วท่านก็ได้เป็นผู้ไปเก็บรวบรวม ดังนั้นหลวงปู่ 3 จึงเดินทางจากชลบุรีมุ่งสู่ภาคใต้เพื่อไปช่วยพระ โดยการถืออิริยาบถ 3 ประการคือนั่งยืนแล้วก็เดินตลอดเวลาที่ 7 ตั้งแต่ เพื่อมาเยี่ยมโยมมารดาแล้วก็พำนักอยู่ คืนวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ 3 กําลังนั่งบําเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาอยู่ในกระท่อมหลังเล็ก แล้วเอาก้อนหินใหญ่ทุ้มลงบนศีรษะของ เมื่อหลวงปู่ 3 ถอนจิตออกจาก ท่านจึงนึกได้ว่าต้องมีผู้ลอบมา ต่อมาภายหลังชายคน ด้วยการประสบเคราะกรรม 2511 หลวงปู่ สำนักจำอรรษาอยู่ที่นั่นจากนั้นก็ย้าย 3 มาอยู่ที่ หลวงภูสามได้พรร pigeon bondar vat to tray vy vek โดย simple poions with a control การปฏิบัติและปฏิปทาของท่านเป็นลักษณะการของพระอริยบุคคล เพราะธรรมะเป็นของจริงต้องทำจริงจึงจะเห็นธรรมะของจริงการกระทำต้องทำ คนเราต้องอาศัยการกระทําฝึกหัดดัดแปลงจิต โลกนี้มันประกอบไปด้วยความทะเยอทะยานถ้าทําจิตให้มัน ความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็ บางคนหัวใจมันหัวร้ายใจบุญสุนทานนะบางคนการบุญการกุศลไม่เชื่ออีกหัวใจมันการ ถ้ามานั่งสมาธิได้สักชั่วโมงก็หายอ่าหายเหนื่อยสบายการฝึกจิตใจให้มีอุปนิสัยติดอยู่ในจิตใจจะทําให้จิตใจของตนน่ะดีขึ้นทุกชาติไปถ้าภาวนาแล้วบางคนทํายากทางที่ดีก็คือการ นั่นก็คือเรื่องราวบางตอนของ